ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนพระสูตรชื่อว่าฉะชักกสูตรจากคำพีมัชฌิมานิกายอุปริปันธาฉะชักกสูตร พรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะหมวดละหกหกหมวดฉะก็แปลว่าหกฉักะแปลว่าหมวดละหกธรรมะหมวดละหกหกหมวดก็กล่าวถึงธรรมะ3ามประการด้วยกั น, นเวลาพูดถึงธรรมะก็กล่าวถึงสภาวะที่ไม่มีอัตตาตัวตนคือว่า เป็นสภาวะที่เป็นอนัตตานั่นเองนะคำว่าไม่มีตัวตนกับอนัตตานี้ก็เป็นคําเดียวกันหรือว่าเป็นที่มีคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ในพระสูตรนี้ก็จะได้กล่าวถึงธรรมะหมวดละหกหหมวดคือธรรมะจานวน36ประกการที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะ ทีนี้ธรรมะมาทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อเป็นดังนี้แล้วบางครั้งก็เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกหรือว่าเป็นความเกิดขึ้นของความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจหรือว่าสักกายะก็เป็นการไปยึดถือธรรมะเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้ารู้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงก็จะสามารถทําให้สักกายะหรือว่า ตัวตนกายใจนั้นมันดับสนิทลงได้อย่างนี้นะเรียนไปเรื่อยๆก็จะพอรู้ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทั้ง36นี้เป็นอนัตตานั้นเป็นอย่างไงพระองค์ก็จะให้เหตุผลแต่ละอันแต่ละอันมันมาโดยครบถ้วนทีเดียวนะครับในบาลีข้อ420เป็นต้นไปนะครับ เดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนในหน้าที่หนึ่งบาลีข้อ420ย่อหน้าที่หนึ่งกับย่อหน้าที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสั ม, มยังภควาสาวัถิยังวิหารติเชตวะเนอนาถปินดิกัสสะอาราเม ตัตรขโผภควาพิกขูอามันเตสิพิกขวติพระดันเตติเตพิกขูภควาโตปัจจโสสุงภควาเอตตโวจ่ธรรมวพภิกขเวเดเ ส, สามิอาดิกนรยาณัง มัดเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังศาทถังสาบยันชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพระมจริยังปกาสิสามิยะดิดังชะชะกานิตังสุนาธาสาธุกัง มานะสิกรโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภาควะโตปัจจัดโสสุงภควะเอตะด้วโจะชาอาช ต, ติกานิอายตนาณิเวดิตั บ, บานิ ชาบาหิรานิอายตนานิเวดิตับบานิชาวิญญาณกายาเวติตับบาฉาภัสสกายาเวติตับบาฉาเวดนากายาเวติตับบาชาตันหากายา เวดิตบวานะครับอันนี้เป็นบาลีข้อ420ตอนเริ่มต้นก็แสดงเหตุเกิดเรื่องก่อนก่อนที่จะตรัสสูตรนี้เอวัมเมสุตังข้าพเจ้าคือท่านพระอนนท์ได้สดับมาอย่างนี้เอกังสมยังในสมัยหนึ่งภะควะภะควา สาวัติยังวิหรติเชตวะเนอนาทบินิกัสอารามพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาทบินิกะเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตีตัตระโขพักวาพิกขูอามันเตสิพิกขวอิติ ในที่นั้นแลคือในพระวิหารเชตวันนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายก่อนจะแสดงพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายก่อนว่าภิกขโเวผัดันเตติเตภิกขูภควะโตปัจจัโสสุง ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับคำพระผู้มีพระภาคว่าพระดันเตแปลว่าพระเจ้าข้าหรือว่าขอรับภะควาเอตะนะโวจะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ดังต่อไปนี้ก็เป็นพระสูตรนี้นะรำ ม, มังโวภิกเวเดเศษสามิอาดิกัลยานังมัดเชกัลยานัง ปริโยสานกันลยาณังศาสถังสะบยัญชนะงเกวละปริปุ น, นังปริสุทธังพรามมะจริยังปกาสิทสามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงธรรมะแก่เธอทั้งหลายที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนนะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าจักแสดงพระธรรมหรือว่าธรรมเทศนาที่เป็นอาดิกัลยานังงามในเบื้องต้นขึ้นเบื้องต้นก็งดงามมัดเชกัลยานัง งามในถามกลางปริโยสานกันลยาณังงามในที่สุดศาสถังสมบูรณ์พร้อมด้วยอัฏฐมีเนื้อหาสาระเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระในแต่ละคำแต่ละคำนั้นสะพยัญชนะงสมบูรณ์พร้อมด้วยพยัญชนะมีพยัญชนะที่สมบูรณ์ฟังง่ายพยัญชนะฟังดูเรียบง่ายแต่เนื้อหาสาระนั้น ลึกซึ้งฟังสะดวกฟังง่ายเกวะละปริปุนังก็แปลว่าบริบูรณ์โดยครบถ้วนทุก ป, ประการปริสุทธิ์ทางก็บริสุทธิ์ปราศจากความเห็นของฝ่ายตัวตนหรือว่าความเห็นของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆที่เป็นของกลางเป็นของที่ไม่ใช่ของใครเป็นของที่ไม่มีเจ้าของพรหมจรยัง พมจันย์คือการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบประกาศสิทธสามิแปลว่าจักประกาศดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตจักแสดงธรรมะแก่เธอทั้งหลายซึ่งงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์พร้อมด้วยอัฏถะพร้อมด้วยพยัญชนะ จากประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนยะดิดังฉะฉะการนี้ได้แก่เรื่องธรรมะหกหมวดหมวดละหยะดิดังก็แปลว่าได้แก่ฉะฉะการนีธรรมะทั้งหลายหมวดละหฉะก็หหมวดฉะฉะการนี้ธรรมะทั้งหลายหหมวดหมวดละหกรวมเป็น 36ประการตังสุนาทะสาทุกังมณสิกรโธถพาสิทสามิเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเทศนานั้นจงกระทาเอาไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็เตือนภิกษุทั้งหลายก่อนนะครับทุกๆพระสูตรที่พระองค์แสดงธรรมก็จะขึ้นด้วยคาทานองนี้แหละนะก็คือ ให้ภิกษุทั้งหลายนั้นตั้งใจฟังตั้งสุนาทะเธอทั้งหลายจงฟังคํานั้นสาทุกังมะณะสิกโรทะจงกระทําเอาไว้ในใจให้ดีต้องใส่ใจสนใจไม่ต้องคิดมากหรือว่าไม่ต้องวิภากวิจารณ์อะไรต่างๆมากเพราะว่าถ้าไปวิภากวิจารณอะไรต่างๆแล้วธรรมะก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นไปแต่ถ้าใส่ใจสนใจ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมะก็จะได้ธรรมะไปแต่ถ้าเอาไปตีความหรือว่าเอาไปวิพากวิจารมากมันก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นภาสิตสามิเราจะกล่าวดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็รับคำว่าดีแล้วพระเจ้าข้าเอวัมพันเตติโขเตภิก ข, ขูฟักวะโตปั จ, จัตโสสุง ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็รับคําพระผู้มีพระภาคว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภะควาเอเตตโวจะพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสพระสูตรชื่อว่าฉัชชักกสูตรนี้ดังต่อไปนี้นะครับข้อความต่อมาก็เป็นพระธรรมเทศนาและตอนย่อหน้าแรกก็เป็นต้นเรื่องเหตุที่มาของเรื่อง ชอัจฉติกานี้อายตนานี้เวทิตตพานิอายตนะทั้งหลายอันเป็นภายในหกประการอันเธอทั้งหลายพึงรู้จักเวทิตตพานิแปลว่าพึงจะรู้จักพึงทำความเข้าใจหรือว่าพึงรู้แจ้งมันให้ถูกต้องรู้อย่างที่มันเป็นเวทิตตพานิอัจฉติกานี้ก็แปลว่าภายใน ภ า, ายในตนเองอายตนานีแ้แปลว่าอายตนะที่ต่อบ่อกเกิดที่รวมรงของสิ่งต่างๆถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะไม่มีที่ต่อแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีที่ต่อแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของเรื่องราวสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายฉะนั้นในโลกนี้ที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะนี้ก็เพราะว่ามีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก มันต่อกันประสานกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบอกเกิดของเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายนะครับอายตนะทั้งหลายอันเป็นภายในหประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบพึงรู้จักพึงทำความเข้าใจรู้มันอย่างที่มันเป็นนี้หมวดที่หนึ่งหมวดอายตนะภายในหมวดที่สอง ฉบาหิรานิอายตนาณิเวทิต บ, บานิอายตนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกอันเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายนอกก็หประการเหมือนกันฉบาหิรานิอายตนาณิอายตนาทั้งหลายภายนอกหประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบ พ, พึงรู้จักเห็นแจ้งมันตามที่เป็นจริงนะมันเป็นยังไง ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นธรรมะนั่นเองเป็นของไม่มีตัวตนก็ให้รู้มันอย่างนั้นทำอนองนี้นะครับชาวิญญาณกายาเวทิตปภาหมวดของวิญญาณหหมวดอันเธอทั้งหลายพึงทราบวิญญาณกายากายะหรือว่ากายาก็แปลว่าหมวดหรือว่ากลุ่มวิญญาณเวลาที่เกิดขึ้นมันมีเยอะ นะครับทีนี้ก็จัดเป็นกลุ่มๆจั ก, จกขู่วิญญาณก็มีเยอะแยะแต่ว่าการมองเห็นทั้งหมดก็เรียกว่าจาักขู่วิญญาณทั้งหมดนั่นแหล ะ, ะเห็นครั้งที่1ก็เรียกว่าจาักขู่วิญญาณเหมือนกันเห็นครั้งที่2ก็เรียกว่าจักขู่วิญญาณเหมือนกันทางด้านหูโสตะวิญญาณก็ทำนองเดียวกันจนถึงมโนวิญญาณการรวบรวมธรรมะเหล่านี้ เป็นหมวดหมวดเป็นกลุ่มกลุ่มก็เรียกว่ากายะหรือว่ากายาหมวดของวิญญาณหอันเธอทั้งหลายพึงทราบ พ, พึงรู้จักพึงเข้าใจรู้แจ้งมันตามที่เป็นจริงนะวิญญาณกายหมวดของวิญญาณหฉผัสกายาเวทิตับมาหมวดของผัสสะหอันเธอทั้งหลายพึงทราบ อันนี้เป็นหมวดที่4หมวดของผัสสะซึ่งมีอยู่6อย่างด้วยกันผัสสะทางตาผัสสะทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจหมวดที่5ชะเวทนากายาเวทิตับบาหมวดของเวทนาหอันเธอทั้งหลายพึงทราบหมวดที่6 ชาตันหากายาเวทิตปบาหมวดของตันหาหอันเธอทั้งหลายพึงทราบพึงรู้จักพึงทำความเข้าใจพึงรู้ให้แจ่มแจ้งตามที่มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นธรรมะหมวดแล้วห6หมวดมีหมวดที่หนึ่งอายตนะภายในหมวดที่สองอายตนะภายนอก หมวดที่3กลุ่มของวิญญาณหมวดที่4กลุ่มผัสสะหมวดที่หกลุ่มของเวทนาหมวดที่6กลุ่มของตัณหาหมวดละ6หมวดละ6ก็เป็น36นะครับต่อไปก็จะขยายความชื่อของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่หมวดละ6หมวดละ6นั้นก็แสดงชื่อออกมาทั้งหมดเลย รวมเป็น36ด้วยกันในบาลีข้อ421นะครับอ่านพร้อมกันนะชาอัจตติกานี้อาญตนานิเวทิตั บ, บานีติอิติโขปเนตังวุตังกินเจตังปฏิจจะวุตังจักขวายตานัง โสตายตะนังคานายตะนังชิวหายตะนังกายยตะนังมะนายตนังชาอัตชติกานิอายตนานิเวดิตบานีติอิติยันตังวุตตังอิณะเมตังปฏิจัวุตตัง อิดังปธรมะฉักกังชะบาหิรายตนาชฉะบาหิรานิอายตนานิเวดิตั บ, บานีติอิติโขปเนตังวุตังกินเจตังปฏิจจวุตังรูปายตานังสัตตายตานังคันธายตานัง ราสายตนางโพธา บ, บายตนางธรร ม, มายตนา낭ชาบายราณิอาญาตนานิเวดิตป บ, บานิติอิตยันตังวุตตังอิณะเมตังปฏิจัวุตตังอิดังตุติยังฉักกัง ชาวิญญาณกายาเวทิตา บ, บาติอิติโขปเนตังวุตังกินเจตังปฏิจจวุตตังจาขุญจาปฏิจารูเปจาอุปปชชติจาขุวิญญาณังโสตันจาปฏิจจัสเดจาอุปปัชชะติ โสตวิญญาณังคานัญจะปฏิจจคันเทจอุปัชติคานวิญญาณังชิวหันจะปฏิจจระเสจะอุปัชติชิวหาวิญญาณังกายันจะปฏิจจโพทาเบจอุปัชติ กายวิญญาณังมนัญจะปฏิจะธรรมเมจะอุปัชติมโนวิญญาณังชาวิญญาณกายาเวริตับบาติอิติยันตังวุตตังอิณเมตังปฏิจะวุตตังอิดังตติยังฉักกังพอเท่านี้ก่อน นะครับในบาลีข้อ421ก็จะขยายความที่พระองค์ตั้งหัวข้อเป็นอุทเทศไว้หัวข้อก็คือพระองค์จะแสดงเรื่องอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณกายหมวดของวิญญาณกลุ่มของวิญญาณหกกลุ่มของผัสสะหกกลุ่มของเวทนาหกแล้วก็ กลุ่มของตันหาหกทีนี้พระองค์ก็ขยายความพระองค์ตรัสว่าชาอิชัติกานิอายตนะนิเวทิตับานีติอิติโขปเนตังวุตังก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอายตนะภายในหกประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้นั่น กินเจตังปฏิจจาวุตตังคํานั้นเราอาศัยอะไรกล่าวจักขวายตนะงโสตายตนังคานายตนังชิวหายตนังกายายตนังมะนายตนังก็คือจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะ จาอัจฉติกรนิอายตนาณิเวทิต บ, บาณีติอิติยันตังบุตตังก็คำใดที่เรากล่าวดังนี้ว่าอายตนาภายในหประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้อิดะเมตังปฏิจจาวุตตังคำนั่นเราอาศัยสิ่งนี้แหละกล่าวแล้วอิดังปัมังชักกังนี้ เป็นธรรมะหมวดละหหมวดที่หนึ่งนะครับพระองค์กล่าวถึงอายตนะภายในหพระองค์ก็อาศัยธรรมะหประการนี้กล่าวถึงก็คือจักขายตนาะโสตยตนะคานายตนะจิวหายตนะกายายตนะมะนายตนะอันนี้ฉั ก, กะที่หนึ่งธรรมะหมวดละหกหมวดที่หนึ่งนะครับ ต่อไปหมวดที่สองฉะบาหิรานิอายตนานิเวทิตบปานิอายตนะภายนอก6ประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบอันนี้พระองค์ก็กล่าวถึงธรรมะหกอย่างเหมือนกันคือรูปายตนางสัตนดดายตนางคันทายตนางรสายตนางโผฏฐาบายตนาง ธรรมายตนังพระองค์สรุปว่าอิดังดุติยังฉักกังนี้เป็นธรรมะหมวดละหกหมวดที่สองนะครับอายตนะก็เป็นที่ต่อเป็นบออเกิดเป็นที่รวมลงเป็นที่กระจายตัวขยายของเรื่องต่างๆมากมายเหลือเกินนะเรามีตาเมื่อมีตาแล้ว ก็มีรูปมากระทบทางตาสองอย่างนี้เมื่อรวมกันแล้วมันก็เป็นที่ต่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งเราก็คงจะรู้สึกด้วยใจตัวเองทีเดียวทั้งหูก็เหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอายตนะคือเป็นที่ต่อเป็นบอกเกิดเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมลงแล้วก็เป็นที่กระจายของเรื่องราวต่างๆให้มากไปเรื่อยๆ ฉะนั้นยิ่งเราไปรู้มากเท่าไรเรื่องมันก็กระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยยิ่งไปฟังมากเท่าไรแล้วก็หลงสิ่งที่ฟังมากเท่าไรมันก็กระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติมันเป็นที่ต่อเป็นบอกเกิดเป็นที่กระจายตัวของเรื่องต่างๆมากมายนะอันนี้อาญตนภายในกับอาญตนะภายนอกต่อไปก็พูดถึง วิญญาณกายคือหมวดของวิญญาณชะวิญญาณกายาเวทิต บ, บาติอิติโขปเนตังวุตังก็คําที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของวิญญาณหประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้นั่นกินเจตังปฏิจจวุตังคานั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว จักขุนจะปฏิจัรูปเเจอุปัชติจักขุวิญญาณังเพราะอาศัยจักขุด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นปฏิจจะแปล ว, ว่าอาศายัยเพราะอาศัยจักสุด้วยเพราะอาศัยรูปทั้งหลายด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นอุปัชติแปล ว, ว่า จึงเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างนี้นะฉะนั้นในนี้ก็พูดถึงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนอะไรเพราะอาศัยจักสุอาศัยรูปจักกูวิญญาณจึงเกิดขึ้นโสตัญจะปฏิจะสัตเดจะอุปปัชติโสตะวิญญาณังเพราะอาศัยโสตะด้วยเสียงทั้งหลายด้วยโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้น แสดงถึงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนอะไรโสตะวิญญาณที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็ชื่อตามเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดเพราะอาศัยโสตะเกิดจึงชื่อว่าโสตะวิญญาณเพราะอาศัยโสตะด้วยอาศัยเสียงทั้งหลายด้วยโสตะวิญญาณจึงเกิดขึ้นคานันจะปฏิ จ, จะคันเทจะอุปัชติคานวิญญาณัง เพราะอาศัยคานะด้วยอาศัยกลิ่นทั้งหลายด้วยคานวิญญาณจึงเกิดขึ้นชิวหันจะปฏิจะระเสจะอุปปัชติชิวหาวิญญาณังเพราะอาศัยชิวหาด้วยอาศัยรสทั้งหลายด้วยชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นกายันจะปฏิจะโพตบเบจะอุปปัชติกายวิญญาณัง เพราะอาศัยกายด้วยอาศัยโผฏฐะคือสัมผัสทางผิวกายด้วยกายวิญญาณจึงเกิดขึ้นมะนันจะปฏิจะธรรมเมจะอุปัชชติมโนวิญญาณังเพราะอาศัยใจด้วยอาศัยธรรมะด้วยมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นฉะวิญญาณกายาเวทิตบปาติ อิติยันตังวุตตังก็คำใดที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของวิญญาณหประการอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้อิดาเมตังปฏิจจวุตตังเราอาศัยอันนี้แหละกล่าวแล้วอิดังตติยังฉักกังนี้เป็นธรรมะหมวดละหหมวดที่สนะครับก็มีอายตนะภายใน อาญตนาภายนอกแล้วก็หมวดวิญญาณหรือกลุ่มของวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนกันเพราะอาศัยตาอาศัยรูปทั้งหลายจักขวิญญาณจึงเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเพราะอาศัยใจอาศัยธรรมะคืออารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็น ธรรมะหมวดละหกชุดที่สามต่อไปชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกนะครับอ่านพร้อมกันชะผัสกายาเวทิต บ, บาติอิติโขปเนตังวุตังกินเจตังปฏิจจะวุตังจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชติ จักขวิญญาณังตินนังสังคติผัสโสโสตันจัปฏิจสัสเดจัอุปัจจติโสตะวิญญาณังตินนังสังคติผัสโสคานันจัปฏิจัคันเทจัอุปัชติคานวิญญาณังตินนังสังคติผัสโส จิวหันจะปฏิจะราเสจะอุปัชชติจกขุจิวหาวิญญาณังตินนังสังคติผัสโสกายัจะปฏิจะโพทัพเบจะอุปัชชติกายวิญญาณังตินนังสังคติผัสโสมะนันจะปฏิจะธรมเเมจะ อุปัชติมนโนวิญญาณังติ น, นังสังคติผัดโสชาผัศสกายาเวทิตบปาติอิติยันตังวุตตังอิดเมีตังปฏิจัวุตตังอิดังจตุถังฉะกังชเวรนากายาเวทิตบปาติ อิติโขปเนตังวุตังกินเจตังปฏิจจาวุตังจักขุญจะปติจารูปเเจอุปปัชชิจักขุวิญญาณังตินังสังคติผัสโซภัสสะปัจจยาเวทนาโสตันจัปติจารุปเเจอุปปัชชิ โสตวิญญาณังคานันจะปฏิจจคันเทจะอุปปัชติคานวิญญาณังชิวหันจะปฏิจะราเสจะอุปปัชติชิวหาวิญญาณังกายันจะปฏิจจโพธเบจะอุปปัชติกายวิญญาณัง มะนันจะปฏิจะธรรมเมจะอุ ป, ปั ช, ชติมโนวิญญาณังตินังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวท น, นาชเวท น, นากายาเวทิตั บ, บาติอิตยันตังวุตตังอิณเมตังปฏิจะวุตตัง อิดังปัญจมังฉักกังชาตันหากายาเวทิตับบาติอิติโขปเนตังวุตตังกินเจตังปฏิจจวุตตังจะขุนจะปฏิจจรูเปจะอุปปัชติจกขุวิญญาณังตินังสังคติผัดโส พาสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจะยาตันหาโสตันจะปฏิจจสเดจจะอุปัชติโสตวิญญาณังคานันจะปฏิจจคันเทจะอุปัชติคาณวิญญาณังชิวหันจะปฏิจะรุเสจะอุปัชติ ชิวหาวิญญาณังกายัญจะปฏิจจะโพัพเบจะอุปปัชชติกายวิญญาณังมะนัญจะปฏิจจะธ ร, รมเมจะอุปปัชชติมโนวิญญาณังตินังสังคติผัสโสผัสสปัจจยาเวดนา เวทนาปัจจญาตันหาชาตันหากายาเวทิตา บ, บาติอิติยันตังวุตังอิณะเมตังปฏิจจวุตังอิดังฉัถังฉักกังอันนี้ก็กล่าวจนกระทั่งถึงธรรมะหมวดละหกหมวดที่หก นะซึ่งอ่านไปแล้วท่านค็คงจะพอเข้าใจว่ามีธรรมะอะไรบ้างนะครับอันนี้พระองค์ก็ตรัสเป็นแบบซ้าๆนะเราอาจจะงงว่าเอทาไมไม่บอกรวดเดียวไปเลยจะได้สั้นๆจบเร็วๆนะอันนี้ขนาดแบบละเอาไว้เปย์านเอาไว้อย่างอ่านตั้งนานาอไรเงี้ยนะอันนี้ลักษณะของธรรมะต้องพูดแบบซ้าๆนะก็เหมือนเราพูดอยู่ทุกวันนี้ เรามันพูดตัวตนอยู่ซ้าๆนั่นของเรานี่ของเราโน่นของเราเราจะได้นั่นได้นี่อันนี้ก็กลับข้างมาพูดว่าเออนี้เป็นธรรมะอันนี้เป็นธรรมะอันนี้เป็นธรรมะพูดไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะยอมรับความจริงได้นะครับฉะนั้นบางคนก็แหมทำไมพูดซ้าๆเขาอย่างนี้นะแต่ของเขาเนี่ยมันพูดซ้าเหมือนกันแต่พูดอีกข้างหนึ่ง นะพูดว่าของเราเราจะเอานั่นเราจะเอานี่เราจะได้นั่นจะได้นี่นะเรื่องของธรรมะก็กลับข้างมาก็คือนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามีแต่เรื่องเหตุเรื่องของปัจจัยทํานองนี้นะครับหมวดที่สี่นะครับในหน้าที่สองชะปัสกายาเวทิตบาติ อิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของผัสสะหกอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้นั่นกินเจตังปฏิจจวุตตังคำนี้เราอาศัยอะไรกล่าวจากขุนจะปฏิจจารูปเเจอุปัชชติจากขุวิญญาณังเพราะอาศัยจักษุด้วยอาศัยรูปทั้งหลายด้วย จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินังสังคติผัสโสการประสบกันเข้าหรือว่าการประจบกันเข้าการรวมลงของธรมม ร, นน ร, ธรมะสามประการนั้นเป็นผัสสะเรียกว่าผัสสะธรรมะสามประการนั้นคืออะไรล่ะก็คือจักสุรูปแล้วก็จักขุวิญญาณที่สามอันมันรวมกันเข้าประกอบกันเข้าและเกิดขึ้นนะ อันนั้นเรียกว่าผัสสะคือการรับรู้โลกทางต า, าถ้าเรียกเต็มชื่อก็เรียกว่าจักขุสัมผัสสะการรับรู้โลกการได้สัมผัสกับโลกทางตาคือมีตามีรูปภายนอกมากระทบแล้วเกิดการรับรู้ขึ้นเกิดจักขุวิญญาณขึ้นตรงนี้เรียกว่าผัสสะท่านจึงว่าติ น, นังสังคติผัสโศ สังคติแปลว่าการประจวบกันเข้าการเกิดพร้อมกันการมาอยู่รวมกันติ น, นังของธรรมะสามประการนั้นคือจักสุรูปและจักขุวิญญาณผัดโศเรียกว่าผัสสะคือการกระทบหรือว่าการเกิดการสัมผัสขึ้นทางด้านทวารอื่นก็ทำนองเดียวกัน โสตัญจะปฏิ จ, จะสัตเดจะอุปัชติโสตวิญญาณังตินนังสังคติผัสโสเพราะอาศัยโสตะด้วยและเสียงทั้งหลายด้วยโสตวิญญาณจึงเกิดขึ้นการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการชื่อว่าผัสสะทางด้านจมูกลิ้น จนถึงใจก็เหมือนกันมนันจะปฏิจะทำเมจะอุปัชติมโนวิญญาณังเพราะอาศัยใจและธรรมะทั้งหลายมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินนังสังคติผัสโสการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการนั้นคือของใจของธรรมะและของมโนวิญญาณ ผัดโโสชื่อว่าผัดสะนะครับอันนี้พระองค์อาศัยอันนี้แหละอาศัยกระบวนการอันนี้แล้วก็เกิดการรับรู้อย่างนี้ขึ้นเป็นจักขุสัมผัสโโสตสัมผัสคารณะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมนโนสัมผัสอันนี้แหละเรียกว่าฉผัดสกายาหมวดของผัดสะหก ต่อไปก็หมวดของเวทนาหกชะเวทนากายาเวทิตัปมาติอิติโขปเนตังวุตังก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของวิญญาณหกอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้นั่นกินเจตังปฏิจจะวุตังคำนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวจากขุนจะปฏิจารูเปจะอุปัชติจกขุวิญญาณัง เพราะอาศัยจักรสุด้วยเพราะอาศัยรูปทั้งหลายด้วยจักุวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินังสังคติผัสโสการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการ น, นั้นเป็นผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นจึงเกิดการเสเวย อ, อารมณ์ด้วยว เกิดการรู้สึกกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจึงก่อให้เกิดความรู้สึกจริงๆอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ธรรมดานะมันไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อมีการประจบกันเข้าของธรรมะสามประการก็เลยเรียกว่าผัสสะทีนี้พอมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นขึ้ น, นบุคคล น, นั้นก็เป็นบุคคล น, นั้นของเขาแหละแต่พอดีเ ด, ดันไปเห็นเขา ไปได้ยินเสียงเขาไปรับรู้เรื่องเขาเขา้าก็เรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะแล้วก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกกับคนนั้นขึ้นถ้าเราไม่เคยเห็นคนนั้นไม่เคยได้ยินคนนั้นไม่เคยรับรู้เรื่องคนนั้นเราก็จะมีความรู้สึกกับคนนั้นไม่ได้เนี่ยความหมายคืออย่างนี้นะฉะนั้นความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะเป็นสิ่งที่ อิงอาศัยปัจจัยเกิดเท่านั้นเองนะครับทางด้านทวารอื่นๆก็ทํานองเดียวกันนะจนกระทั่งถึงทางใจมนัณณจะปฏิจจะรำรมเมจะอุปัชติมโนวิญญาณังเพราะอาศัยใจด้วยอาศัยธรรมะทั้งหลายด้วยมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินนังสังคติผัดโศการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการนั้น เป็นผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นนะก็เป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะครับอันนี้พระองค์แสดงให้เห็นถึงไม่มีตัวตนเลยสักอย่างเดียวนะครับเป็นธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะอันนี้เราพูดถึง สภาวะที่ปราศจากตัวตนนะครับต่อไปก็หมวดของตัณหาความอยากความต้องการความชอบความพอใจอันนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะะตัณหากายาเวทิตต บ, บาติอิติโคปเนตังวุตังก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของตัณหาหอันเธอทั้งหลายปึงทราบดังนี้นั่น กินเจตังปฏิจาวุตังคำนั่นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวจะขุนจะปฏิจารูเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณังเพราะอาศัยจักสุด้วยรูปทั้งหลายด้วยจักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินณังสังคติผัสโสการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการนั้นเป็นผัสสะผัสสะปัจญาเวทนา เพราะผัดสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นเวทนาปัจจญาตันหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการผัดสะกันเรียบร้อยแล้วก็เกิดความรู้สึกต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็มีผลต่อจิตใจทําให้รู้สึกสบายใจไม่สบายใจหรือว่าเฉย ไอ้ตัวความรู้สึกนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดความอยากอันหนึ่งอยากได้อันหนึ่งไม่อยากได้อันหนึ่งอยากมีอันหนึ่งไม่อยากมีอันหนึ่งอยากให้อยู่อีกอันหนึ่งไม่อยากให้อยู่อันหนึ่งพอใจความมีอีกอันหนึ่งพอใจความไม่มีพอใจความมีสุขพอใจความไม่มีทุกข์อย่างนี้ก็เป็นตัณหา เพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมาจากความรู้สึกเป็นปัจจัยมาจากเวทนาเป็นปัจจัยนะครับเห็นหน้าคนนี้แล้วสบายใจก็อยากให้คนนี้อยู่นานๆแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของเวทนาท่านั่นเองถ้าเห็นหน้าคนนี้แล้วไม่สบายใจความไม่มีหน้าคนนี้มาหรือว่าไม่มีคนนี้อยู่ตรงนี้ก็สบายกว่าก็อยากให้ไปทำนองนี้ แทที่จริงก็เป็นเรื่องของเวทนาท่านันเองเรื่องมีเงินเราหาเงินมาก็เพราะว่าพอมีมันแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภยัยพอไม่มีแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยทนองนี้ก็เป็นเรื่องของเวทนาท่านนั่นเองเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นอย่างนี้ล้วนไม่มีตัวตนอะไรนะครับจนกระทั่งถึงทางใจนะ มนันจะปฏิจจธรรมเมจะอุปัชติมนโนวิญญาณังเพราะอาศัยใจด้วยธรรมะทั้งหลายที่รับรู้ได้ทางใจด้วยมนโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นตินณังสังคติผัสโสการประจวบกันเข้าของธรรมะสามประการนั้นเป็นผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเวทนาปัจจยาตัณหา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นตันหาก็เป็นของไม่มีตัวตนไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรในแง่มุมของธรรมะแต่จะเลวร้ายก็ในแง่มุมของเราไปทำตามตันหาด้วยความยึดถือแล้วก็ก่อทุกข์วนเวียนเท่านั้นแต่ในแง่มุมของธรรมะแล้วตันหาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเป็นของไม่มีตัวตนเหมือนกับธรรมะอันอื่นๆนั่นเอง ถ้าเรารู้ทันความอยากความต้องการว่าเออนี่มันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็อยากได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีอยู่มันก็ธรรมดาแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้นะครับพระองค์ก็สรุปว่า ชตันหากายาเวทิตับมาติอิติยันตังวุตตังก็คําที่เรากล่าวดังนี้ว่าหมวดของตันหาหอันเธอทั้งหลายพึงทราบดังนี้อิณะเมตังปฏิจจวุตตังคํานี้เราอาศัยสิ่งนี้แหละกล่าวแล้วอิดังฉัดถังฉัด ก, กังนี้เป็นธรรมะหมวดละหหมวดที่หตันหาห นะครับอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วเป็นธรรมะหมวดละหกหกหมวดหมวดที่1คืออายตนะภายในหกหมวดที่2อายตนะภายนอกหกหมวดที่สวิญญาณหกหมวดที่สี่ผัสสะหหมวดที่หเวทนาหหมวดที่6ตัณหาหกซึ่งไม่มีตัวไม่มีตนทั้งนั้นทีนี้พระองค์ก็ จ, จะ กล่าวต่อไปถึงว่ามันไม่มีตัวตนนี่ไม่มีตัวตนจริงๆนะใครคนไหนที่ไปกล่าวว่ามีตัวมีตนเป็นอัตตาเขาจะต้องกล่าวผิดอย่างแน่นอนนะอันนี้นะครับแท้ที่จริงที่แสดงมาเราก็คงจะเห็นว่ามีแต่เรื่องของเขตเรื่องของปัจจัยมีแต่เรื่องของธรรมะที่มันเป็นไปอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานะครับ ต่อไปพระองค์ก็จะกล่าวต่อไปในข้อ422ในหน้าที่3นะครับเดี๋ยวเราอ่านสักสามย่อหน้านะอ่านจักขุรูปแล้วก็จักขุวิญญาณอ่านพร้อมกันนะครับจักขุอัตติโยวะเทยะตัณนอุป ป, ปัชชติจักขุส อุปาโดปิวโยปิปัญญายติยัสโขปณะอุปาโดปิวโยปิปัญญายติอัตาเมอุปปัชติจัเวติจาติอิจจัสสะเอวามาคตังโหติตัสมาตังนอุปปัชติ จักขุอัตติโยวะเทยะอิติจักขุอนัตตารูปาอัตติโยวะเทยะตัณหุปะปัชติรูปานังอุปาโดปิวโยปิปัญญายติยัสสะโขปะนะุปาโดปิวโยปิ ปัญญายติอัตตาเมอุปปัชชติจเวติจาติอิจัสสะเอวมาคตังโหติตัตสมาตังนอุปปัชชติรูปาอัตตาติโยวเดยะอิติจักขุอนัตตารูปาอนัตตา จักขวิญญาณังตตาติโยเทยะตัณหอุปปัชชติจักขวิญญาณัสสะอุปาโดปิวโยปิปัญญาติยัสสะโขปณะอุปาโดปิวโยปิปัญญาติอัตตาเมอุปปชติจ เวติจาติอิจสะเอวมาคตังโหติทัสมาตังนาอุป ป, ปัชชติจักขุวิญญาณังอัตตาติโยวเทยยะอิติจักขุอนัตตารูปานัตตาจักขุวิญญาณังอนัตตานะ เราอ่านเป็นตัวอย่างสักสามเรื่องก็พอนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันนี่แหละนะแต่พระองค์ก็จะตรัสซ้ําๆไปอย่างที่ผมบอกไปแล้วเรานี้พูดแต่เรื่องตัวตนตัวตนตวต น, นะเวลาพระองค์ตรัสธรรมะก็ตรัสซ้ําๆนะครับในบาลีข้อ422พระองค์ตรัสว่าจักขุอัตตาติโยวะเถยะ บุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่าจักษุเป็นอัตตาจักสุตาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยจักสุเป็นอัตตาใครที่กล่าวอย่างนี้นะตังนะอุปปัชชิคคำนั้นย่อมไม่ถูกต้องตังก็แปลว่าคำกล่าวนั้นคากล่าวที่ว่าจักษุเป็นอัตตานั้น นอุปปัชติย่อมไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลไม่เข้ากับคาหน้าคําหลังนะไม่เข้ากับความเป็นจริงเ<ช>พราะอะไรล่ะเพราะว่าจักขุสอุปาโดปิวโยปิปัญญายติแม้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของจักษุย่อมปรากฏอยู่อุปาโดปิแปลว่าความเกิดขึ้นวโยปิ ความดับไปเสื่อมไปจากขุสของจักสุย่อมปรากฏอยู่ถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้เป็นของสุขเป็นของบังคับได้มันจะมีความเกิดและความเสื่อมไหมมันก็ไม่มีนะถ้ามันเกิดมันก็คงอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยอนะแต่ว่าทีนี้อุ ป, ปาโดปิแม้ความเกิดวโยปิแม้ความเสื่อม ของจักสุก็ยังปรากฏอยู่เราจะไปกล่าวว่าจักษุเป็นอัตตานี่คำหน้ากับคำหลังมันเข้ากันหมมันเข้ากันไม่ได้แหมถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้บังคับได้เอ้าก็บังคับไม่ได้มันก็ปรากฏอยู่มันเกิดแล้วมันก็เสื่อมเห็นเห็นอยู่แน่นแสดงว่าคำหน้ากับคำหลังมันไม่เข้ากันแนวความหมายคืออย่างนี้นะครับ บุคคลใดย่อมกล่าวดังนี้ว่าจักสุเป็นอัตตาดังนี้คำกล่าวนั้นย่อมไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมไปของจักสุย่อมปรากฏอยู่ยัตสโขปณะอุ ป, ปาโดปิวโยปิปัญญายติก็ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปย่อมปรากฏแก่สิ่งใดอัตตาเมอุปปัชติจะเวติจะอิติอิจจสะเอวะมาคตังโหติดังนั้นก็ต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดอัตตาของเราย่อมเสื่อมไปดังนี้เห็นไหม ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแสดงว่าสิ่งที่เที่ยงนั้นดับไปแล้วมีไหมสิ่งที่เที่ยงดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอัตตาอัตตาของเรานั้นน่ะเกิดขึ้นอัตตาของเราเสื่อมไปคาว่าอัตตานี้มันคือตัวตนเป็นของเที่ยงแท้จะมาบอกว่าเอ้ของเที่ยงไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ได้ไหมเขาจะบอกว่าเป็นบ้าพอดีพอเข้าใจอย่างนี้ไมเน่อ้ของที่บังคับควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้แล้วอย่างนี้เขาก็ว่าเป็นบ้าพอดีเนี่ยอัตตาของเราเกิดขึ้นอัตตาของเราเสื่อมไปแม้อัตตานี่มันคือตัวตนที่ยงแท้ถาวร น, นะแม้ของถาวรเสื่อมไปแล้วเป็นไงคือเป็นบ้านั่นเองเนี่ยเห็นหมคำหน้ามันจึงไม่ตรงกับคำหลังเห็นหนะท่านจึงบอกว่าบุคคลใดย่อมกล่าวดังนี้ว่าจักสุเป็นอัตตาดังนี้ คำกล่าวนั้นย่อมไม่ถูกต้องเพราะว่าแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมของจักษุยังปรากฏอยู่ก็ความเกิดและความเสื่อมไปก็ยังปรากฏอยู่แก่จักษุอันใดดังนั้นก็ต้องกลา่าวดังนี้ว่าอัตตาของเราเกิดอัตตาของเราเสื่อมไปของเที่ยงมันเกิดดับไอของเที่ยงแต่เกิดดับมันแปลกเหมือนกันเนาะนี่เห็นไห คำมันไม่ตรงกันแล้วนะตัสมาตังนุปปัชชติจักขุอัตตาติโยวัิยะเพราะฉะนั้นบุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่าจักสุเป็นอัตตาคำกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่ถูกต้องอิติจักขุอนัตตาจักสุนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาด้วยประการอย่างนี้แหละ ทำไมมันจึงไม่เป็นอัตตาก็เพราะว่าความเกิดยังปรากฏอยู่ความเสื่อมไปยังปรากฏก็สิ่งใดที่มันปรากฏความเกิดและความเสื่อมมันจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเป็นของที่บังคับควบคุมได้จริงๆไหมไม่ได้ใครจะมาพูดว่าแม้จักสุเป็นอัตตาจักขุเป็นของเที่ยงแท้เป็นของเรา ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องนิ่งๆอยู่ใช่ไหมของเราของเราแหมตาก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันยังจะว่าของเราอีกมันก็ลําลบากน่ดูถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องกล่าวคล้ายๆกับพูดว่าอัตตาของเราเกิดและเสื่อมไปอัตตานี้มันมีลักษณะเที่ยงเป็นของควบคุมได้สมมุติแม้ของเที่ยงไม่เที่ยงแล้วของเที่ยงเที่ยงเกิดดับ พูดอย่างนี้จะมีใครฟังไหมอย่างเงี้ยอัตตาของเราเนี่ยอัตตาเนี่ยตัวตนเที่ยงเนี่ยความรู้สึกที่ว่าตัวเราตัวเรามันจะรู้สึกเที่ยงเที่ยงอยู่ใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกนี่แหมของเที่ยงเกิดดับเนี่ยอย่างนี้มันเป็นบ้ากันพอดีเห็นไหมอย่างพวกบุตรชนเขาจึงเรียกว่าพวกคนบ้าเห็นไหมความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเห็นชัดๆอยู่แต่เขาก็ไปเข้าใจผิดไปหลงยึดถือ พยายามทาสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงทั้งๆที่มันก็มันไม่เที่ยงมันเดิมมันแหละเพราะว่าความเกิดและความเสื่อมของมันยังปรากฏอยู่เนี่ยทำนองนี้มันจึงเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนนะครับนะอัตตาตัวตนนี้เป็นเพียงเพียงความเข้าใจผิดและความยึดถือของผู้คนเท่านั้นเองมันไม่ได้มีจริงอะไรนะอันนั้นสรุปแล้วพระองค์ก็สรุปเลยว่า อิติจักขุอนัตตาเพราะฉะนั้นจักษุดวงตาเหล่านี้นะตานี้จึงเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันเกิดและมันเสื่อมได้อันไหนที่มันเกิดและดับได้อันไหนที่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของควบคุมไม่ได้มันก็ล้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นอย่างนี้ต่อไปรูปรูปปาอัตติโยวะเทยะตังนะอุป ป, ปัชชติ บุคคลนายย่อมกล่าวดังนี้ว่ารูปทั้งหลายเป็นอัตตาดังนี้คํากล่าวนั้นย่อมไม่ถูกต้องนะรูปทั้งหลายนั้นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเวลาเราพูดถึงอัตตาตัวตนก็นะเป็นแมวเป็นหมาเวลาเราพูดอย่างนี้เหมือนกับมันเที่ยงเลยใช่ไหมเป็นหมาก็เป็นหมาจริงๆเป็นแมวก็เป็นแมวจริงๆเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เป็นคําตัวแทนของอัตตา นะครับรูปทั้งหลายเป็นอัตตาคํานั้นย่อมไม่ถูกต้องรูปานังอุปาโดปิวโยปิปัญญายติเพราะว่าแม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปของรูปทั้งหลายย่อมปรากฏอยู่ยัตสโคปะณะอุปาโดปิวโยปิปัญญายติก็แม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปย่อมปรากฏแก่สิ่งใด อัตตาเมอุปัชชติจะเวติจะอิติอิจจสัเอวะมาคตังโหติเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดและย่อมเสื่อมไปดังนี้ <c oughs> ถ้าบอกว่ารูปมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะก็ต้องบอกว่าแหมของที่เป็นตัวตนเกิดและเสื่อมอย่างนี้มันก็ขัดกันเองนะ ตัสมาตังณอุปปัชชติรูปาอัตตาติโยเทยยะเพราะฉะนั้นบุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่ารูปทั้งหลายเป็นอัตตาคำกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลอิติจักขุอนัตตารูปาอนัตตาจักษุเป็นอนัตตารูปทั้งหลายเป็นอนัตตา ด้วยประการชนนี้ที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าความเกิดขึ้นความเสื่อมไปนั้นมันปรากฏอยู่เพราะว่ามันเป็นของเกิดจากเหตุปัจจัยที่ไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงนะอย่างนี้จักขูวิญญาณก็ทานองเดียวกันจักขูสัมผัสเวทนาตันหาเหมือนเหมือนกันนะในบาลีข้อ422รีนี้ท่านก็กล่าวถึง ในด้านทางตาจักสุรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเวทนาตันหานะครับใ น, ในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่สมก็กล่าวถึงตันหาตันหาอัตตาติโยวะเทยะตังนะอุปปัชชติบุคคลใาย่อมกล่าวดังนี้ว่าตันหาเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนความอยากนี่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นของ เราเป็นของคนอื่นคำกล่าวที่ทำนองอัตตาก็เป็นของเที่ยงเป็นของบังคับควบคุมได้เป็นของเราของเขาอะไรพวกนี้แหละลักษณะอัตตานะบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตันหาเป็นอัตตาตังนะอุป ป, ปัชติคำกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่ถูกต้องตันหายอุ ป, ปาโดปิวโยปิปัญญายติ เพราะแม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปของตัณหาย่อมปรากฏอยู่ยัตสโคปะณะอุ ป, ปาโดปิวยโยปิปัญญายติก็แม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปย่อมปรากฏอยู่แก่สิ่งใดอัตตาเมอุปปัชติจะเวติจอิติอิจัตสเอวามาคตังโหติดังนั้นก็ต้องกล่าวได้ดังนี้ว่า อัตตาของเราย่อมเกิดย่อมเสื่อมไปดังนี้ตัสมาตังณนะอุปปัชติตันหาอัตตาติโยวะเทยะเพราะฉะนั้นบุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่าตันหาเป็นอัตตาคำกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลอิติจักขูอนัตตาจักสุ เป็นอนัตตาด้วยประการชนนี้รูปาอนัตตารูปทั้งหลายเป็นอนัตตาจักขวิญญาณังอนัตตาจักขวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสโสอนัตตาจักขุสัมผัสก็เป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาตันหาอนัตตาตัหาก็เป็นอนัตตาเนี่นะ อันนี้อนัตตาในแบบสังขาร น, นะความเกิดและความเสื่อมไปยังปรากฏอยู่อย่างนี้ใครไปกล่าวว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็แหมคำพูดเขาก็ขัดกันเองของเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันไม่รู้จะพูดกันยังไงนะเราทั้งหลายก็ลองดูคำพูดเราก็แล้วกันนะวันๆนะนะก็วนเวียนกันไปที่เป็นเชนั้นเพราะว่า ยังละความเห็นผิดไม่ได้ก็คิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะภายในายภายนอกผัสสะอะไรพวกนี้เป็นตัวเป็นตนคำพูดมันจึงขัดกันเองวนไปเรื่อยๆพูดถึงตัวเราของเราแต่ว่าความไม่เที่ยงก็เห็นชัดๆอยู่นะความเกิดความแปลปรวนไปก็เห็นชัดๆอยู่แต่คำพูดของเขาเนี่ยไอเราเรานี้มันคือของเทียงนะ ของแท้ของควบคุมได้นะเอเราควบคุมไม่ได้น ะ, นะเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะเอ๊เราควบคุมไม่ได้คําว่าเรานี้มันคือความสามารถควบคุมได้เอ๊ไ อ, เ, อเราสิ่งที่ควบคุมได้ควบคุมไม่ได้ซะแล้วอย่างนี้มันก็เปลี่ยนแปลงหรือว่าหน้างุนงงเยอะใช่ไหมเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าคาของชาวโลกก็ ใช้ใช้ไปกับเขานะแต่ว่าให้มองให้ทะลุกันแล้วกันเป็นคําสมมุติบัญญัติเฉยๆฉะนั้นอัตราแท้ๆนี่เป็นคําสมมุติบัญญัติเฉยๆนะเราของเรานี่เป็นคําสมมุติพระพุทธเจ้าก็ใช้เหมือนกันแต่พระองค์ไม่ยึดถือเพราะว่ามันยึดถือไม่ได้มันผิดนะถ้ายึดถือปั๊บผิดทันทีไม่ใช่ผิดเพราะว่ามันเป็นบัญญัติอะไรหรอกนะผิดเพราะตรงยึดมันนี่แหละนะ เวลาเราปฏิบัติธรรมเราจึงไม่ได้ละอัตตาตัวตนอะไรไม่ได้ละของเราละเพียงความเข้าใจผิดละเพียงความยึดมั่นถือมั่นเฉยเพราะอัตตาของเราตัวเราของเราหมาแมวผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นคําสมมุติบัญญัติที่เขาเรียกกันขึ้นมาพอเราไม่เข้าใจเราก็คิดว่ามันมีจริงการคิดว่ามันมีจริงเป็นจริงอันนี้มันคิดผิดเห็นผิด แล้วยึดถือขึ้นมาเป็นยึดมั่นถือมั่นผิดผิดเท่านั้นแหละนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็บาลีข้อ422กล่าวทางด้านจักสุต่อมาข้อ423ก็กล่าวถึงด้านโสตคานณะชิวหากายแล้วก็ด้านมโนเหมือนเหมือนกันนะคือเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะถ้าไม่ละก็จะยาวกว่านี้เยอะนะครับก็คือแสดงให้เห็นว่าถ้าไปพูดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนจริงๆ จ, จังๆขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่แล้วผิดหมดเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงความจริงก็คือความเกิดความเสื่อมไปนะั้นมันปรากฏอยู่แต่เราก็ยังบอกว่าของเราของเราอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้มันผิดไหม ถ้าของเราจริงๆมันก็ควรจะเป็นของเราตลอดคงทนแน่นอนใช่ไหมควบคุมได้อย่างนั้นถ้าตาของเราจริงๆเป็นไงถ้าเป็นของเราจริงๆเราก็น่าจะควบคุมมันได้ตลอดถ้าเป็นสามีของเราจริงๆนะเออมันก็น่าจะอยู่ภายใต้อำนาจของเราตลอดแต่มันเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่เป็นมันก็เห็นเห็นอยู่นะฉะนั้นใครไปพูดว่าของเราจริง ๆ, ๆจงๆนี้เขาพูดผิดหรือพูดถูก พูดผิดอย่างแน่นอนนะทำนองนี้นะครับส่วนคําแบบสมมุติก็ใช้กันไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่อันนี้เราพูดถึงแบบธรรมะไงนะนะครับอันนี้ก็พูดจนถึงฝ่ายในด้านจิตใจนะถึงในหน้าที่ห้าหน้าที่5ก็พูดถึงตัณหาที่เกิดทางใจก็เหมือนกันตัณหาอัตตาติโยวเยัเถย ตังนาอุป ป, ปั ช, ชติบุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่าตันหาเป็นอัตตาดังนี้คํากล่าวเช่นนั้นย่อมไม่ถูกต้องตันหายอุปาโดปิวโยปิปัญญายติเพราะว่าแม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปของตันหาย่อมปรากฏอยู่ยัสโคปะนะอุปาโดปิวโยปิปัญญายติ ก็แม้ความเกิดขึ้นแม้ความเสื่อมไปย่อมปรากฏอยู่แก่สิ่งใดอัตตาเมอุปปัชชติจะเวติจะอิติอิจจสะเอวามาคตังโหติดังนั้นก็ต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดย่อมเสื่อมไปดังนี้ตัสมาตังนอุปปัชชติตันหาอัตตาติโยวะทิยะ เพราะเหตุนั้นบุคคลใดพึงกล่าวดังนี้ว่าตัณหาเป็นอัตตาดังนี้คำกล่าวเช่นนั้นจึงไม่ถูกต้องอิติมโนโอนัตตาธรรมานัตตามาโนวิญญาณังอนัตตามาโนสัมผัสโส อ, อนัตตาเวทนาอนาตาัตตาตัณหาอนัตตาเพราะฉะนั้นแล้ว มโนใจก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนธรรมะทั้งหลายอารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจก็ไม่ใช่ตัวตนมโนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนมโนสัมผัสก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนตัณหาก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยประการอย่างนี้เพราะว่าความเกิดขึ้นก็ปรากฏความเสื่อมก็ปรากฏ มันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนนี้ดีนะอะไรอะไรก็ทำงานได้นะกฎของกรรมก็ดีความเสื่อมความเจริญอะไรต่างๆก็ทำงานได้หมดถ้ามันมีอัตตาแล้วมันทำงานไม่ได้นะมีคนคอยบังคับควบคุมอยู่เนาะไปไหนก็ทำอะไรไม่ได้แต่อนัตตานี่มันทำให้กฎต่างๆทำงานได้นะตัวกรรมดับไปแล้วเหตุปัจจัยพร้อมผลของกรรมก็เกิดขึ้น ไม่พร้อมก็ไม่เกิดหวานพืชลงไปแล้วถ้ามันเที่ยงแท้อะไรมันก็ได้หวา น, นก็ค้างเติงอยู่งั้นใช่ไหมเออมันไม่เที่ยงก็ดีนะหวานลงไปแล้วถ้าเหตุปัจจัยพร้อมมันก็งอกขึ้นมาเหตุปัจจัยไม่พร้อมก็แห้งตายไปเถอะก็ว่ากันไปเนี่ยไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี่ก็ดีเหมือนกันนะได้ประโยชน์เยอะเนี่ยแต่เรานี่แหมมันขวางทางเหลือเกินมันวนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ นี้พระองค์ทรงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางในงามในที่สุดอย่างนี้นะก็คือแสดงถึงธรรมะที่เป็นกลางกลางไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปบาลีข้อ424ก็จะแสดงสักกายสมุทยคามินีปฏิปทาหนทางหรือว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดสักกายสมุทัย เกิดการรู้สึกว่ามีตัวมีตนขึ้นทั้งๆ ท, ที่ก็มีแต่ธรรมะนั่นแหละแต่ว่าทําไมจึงเกิดสักกายเกิดการยึดกายยึดใจ ย, ยึดสภาวะต่างๆว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราขึ้นมาได้อย่างนี้พระองค์ก็จะบอกนะก็คือบอกสักกายะสมุทัยคามินีปฏิปทาตัวหนทางที่ทําให้เกิดสักกายะสมุทัยนะครับ ในบาลีข้อ424นะในย่อหน้าที่3นะหน้าที่5อ่านพร้อมกันนะครับอายังโขปันะพิกขเวส ก, กายะสมุทยะคามินีปฏิปดาจักขุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติ สมเนธปสสติรูปเปเอตังมมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติสมเนธปสสติจักขุวิญญาณังเอตังมมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติจักขุสัมผัสสังเอตัง ม, มะมะ เอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติสามนุปัสติเวดานังเอตังมะมะเอโสห a มัสสมิเอโสเมอัตตาติสามนุปัสติตันหังเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติ สามนุป <ersch> ัสติโสตังเอตังม a มะคา낭เอตังมะมะชิวหังเอตังมะมะกายังเอตังม a มะมะนังเอตังมะมะเอโสห a มัสสมิเอโสเมอัตตาติสามนุปัสติ e ธรรมเมเอตังมมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติสามนุปัสสติมะโนวิญญาณังเอตังมมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติสามนุปัสติมะโนสัมผัสสังเอตังมะมะ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 อ่านะอันนี้ก็บาลีข้อ424กล่าวถึง<ม>สักกายสมุทยาคามินีปฏิปทาสักกายก็คือความเป็นตัวเป็นตนเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราพอเป็นเราเป็นของเราก็มีคนอื่นมีของคนอื่นของคนนั้นของคนนี้ก็เรื่อยไปอันนี้เรียกว่าสักกายะ สมุทยะแปลว่าความเกิดขึ้นคามินีต้นเหตุปฏิปทาตัวข้อปฏิบัติหรือว่าการดำเนินชีวิตชนิดที่เป็นเหตุให้เกิดสักกายะนะแท่ที่จริงไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ต้นแล้วน ะ, นะตอนนี้ก็จะคล้ายๆย้อนหลังไปหน่อยนะึงของเราตัว ต, วตนเต็มที่แล้วอันนี้พูดย้อนหลังให้ฟังว่ามันมาได้ยังไงไอ้ที่ ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพระองค์ตรัสว่าอายังโขปนภพิกเวสากายะสมุทยะคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นข้อปฏิบัติหรือว่าการดำเนินชีวิตชนิดที่ทำให้เกิดสากายะขึ้นปฏิปทาคือการดำเนินชีวิตการปฏิบัติหรือว่าการใช้ชีวิต ที่เป็นเหตุเป็นหนทางให้เกิดสักกายะสมุทยาคามินีเป็นเหตุให้เกิดเป็นหนทางให้เกิดสักกายะคือความเห็นผิดความยึดถือว่ากายว่าใจนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นตัวเราตัวหนทางของมันก็คือจักขุงเอตังมะมะเอโสหมัตสมิ เอโสเมอัตตาติสมนุปสติบุคคลย่อมตามเห็นรูปย่อมตามเห็นจักสุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันเกิดสักกายสมุทัยเห็นว่าอ่าตาของเราเราเห็นอย่างนี้ไหมตอนเด็กๆมีแต่คนสอนเราเนาะ นี่ของเรานี่ของหนูนะนั่นพ่อของหนูนั่นแม่ของหนูนั่นแขนของหนูนั่นอันนี้ของหนูของหนูเป็นไงบ้างหนูเป็นนั่นเป็นนี่เป็นไงโอ้โหเราก็ตามกันมาเห็นไหมก็เลยยึดหนักเลยทีเนี้ยเรียบร้อยเลยมาได้ยังไงเห็นหรือยังนี่อันนี้คงจะยอมรับแล้วฉะนั้นเวลาสอนเด็กนะนั่นไม่ใช่ของหนูหน่อยก็แล้วกันนะเราตั้งหลายแม่ เนี่ยความผิดพลาดเนี่ยเขาสอนเรามาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วน ะ, ะนะเป็นไงการตามเห็นสมนุ ป, ปัสติคือตามเห็นหมายถึงว่ารู้สึกถึงบ่อยๆมีคนสอนก็เชื่อเขาใช้ชีวิตไปใครบอกก็เชื่อเขานี่ของเธอนะนั่นของเที่ยงนะนี่หน้าเอานะนี่ควบคุมได้นะเชื่อเขาไหมทําอย่างนี้จะดีนะทําอย่างนี้จะเจริญไหมเชื่อเขาไหม อันนี้เรียกว่าสมนุปัสติคือตามเห็นหรือว่าตามไปเรื่อยๆดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วก็เชื่อเขาตามตามเขาไปมันก็ยิ่งยึดหนักขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้เรียกว่าสักกายสมุทยะคามินีปฏิปทานี้ด้านดวงตานะอันอื่นๆก็เหมือนกันรูปเป อ, เอตังมะมะเอโสหมสมิเอโสเมอตตาติสมนุ ป, ปัสติตามเห็นรูปทั้งหลายว่า นั่นของเรานั่นรถยนต์ของเรานั่นหูของเราแขนของเรามองกระจกก็นี่ปากของเราจมูกของเราอะไรก็ไม่รู้อไอ้ของเราของเราเห็นไหมเราเป็นนั่นเป็นนี่แหมดูดีเราดูดีเราเห็นไหมเยอะขึ้นไหมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเหตุเกิดของสักกายะฉะนั้นเวลามองดูก็ต้องไม่ใช่ของเราซะบ้างนะ ดางนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฝึกฝนนี่นะมันจะหลงไปทางนี้หมดเพราะว่ามันมาตั้งแต่ต้นแล้วตอนเด็กๆนี่โทษใครก็ไม่ได้แหละเพราะว่าโลกเขาเป็นอย่างนั้นมาเนี่ยเขาหลงๆมาเราก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้วิธีที่จะหลุดจากมันได้มันก็ต้องยอมรับไปอย่างนี้นะครับนี่แหละส ก, กายะสมุทยะคามินีปฏิปทา การไปตามเห็นดวงตารูปว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราจากขูวิญญาณังเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติตามเห็นแล้วก็พูดถึงพูดคุยเชื่อบ่อยๆว่านี่นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา เป็นเราเห็นเราได้เคยเห็นในพูดอย่างนี้บ่อยๆนะสักกายะสมุทัยมันเยอะขึ้นนะฉะนั้นเวลาพูดนี้ต้องพูดให้มันถูกต้องรู้จักภาวนารู้จักฝึกฝนตนเองมองให้มันถูกมุมว่าเออมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะมันก็จะค่อยๆลดลงได้นะครับ จักขุสัมผัสสังเอตังมะมะเอสโสหมัสมิเอสโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเวทนานงเอตังมะมะเอสโสหมัสมิเอสโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นเวทนาความรู้สึกว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราความสุขของเราความสบายใจของเราเราสบายเราไม่สบา ย, ยการตามเห็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้บ่อยๆสักกายะสมุทยัยเป็นหนทางทำให้เกิดความรู้สึกมีตัวมี ต, มตนมากขึ้นนะงั้นต้องเห็นมันตามความจริงนะเวทนา ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกเกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ดับไปดับไปอย่างนี้นะจนถึงตัณหานะตัณหังเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติสมณุปัสติตามเห็นตัณหาว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราอันนี้ก็ทางตานะครับสภาวะที่อาศัยทางตาเกิดขึ้นเป็นไปในด้านทางตาก็ตามเห็นว่าเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาอะไรที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดความรู้สึกตามเห็นในลักษณะเช่นนี้เชื่อคนอื่นมาก็ดีใช้ชีวิตไปทางแนวนี้ก็ดีมันเป็น สักกายะสมุทยะคาไมนีปฏิปทาเป็นการดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความรู้สึกมีตั ว, ม, ตวมีตนสักกายะนะซึ่งเราคงผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วนะฉะนั้นเรียนธรรมะแล้วก็อย่าไปเพิ่มมา ก, กาแล้วกันของเก่าก็เพียบอยู่แล้วนะลำบากลําบนเอาออกยากอยู่แล้วบางคนยังมาเรียนธรรมะยังไปเพิ่มอีกเรารู้เราเก่งพวกของเราไปไง อ, อ, อาจารย์ของเรานี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยสักกายสมุทัยมันก็มากขึ้นมากขึ้นแหมเราปฏิบัติได้ดีปฏิบัติได้เก่งเราเจริญก้าวหน้าไอ้มีเราโผล่ก็ไปใส่เมื่อไหร่เป็นไงนี่สักกายสมุทยาขามินีปฏิปทาดังนั้นเจริญเป็นเรื่องของเจริญเสื่อมเป็นเรื่องของเสื่อมสุขเป็นเรื่องของสุขทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์นะอย่ามีเราไปใส่สิเดีย๋ย มีเราไปใสน่นี่โอ้โหต่อให้ปฏิบัติทมไปก็เราเจริญก้าวหน้าเราได้ดีเราบรรลุเวบรรลุไหนก็ไม่รู้เลยสักกายะสมุทยะไปเรื่อยเห็นไหมมันลำบากหนะ้าดูเหมือนกันนะนะครับอันนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นจนถึงทางใจก็เหมือนกันนะครับ มานังเอตังมะม ะ, มะเอโหสหะมะสุเเอโสเมอัตตาติสมุปัสติย่อมตามเห็นใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราใจของเราไหมไม่ใช่นะใจก็ไม่ใช่นะเราเนี่ยแหมใจฉันทำไมเป็นอย่างนี้โน่นใจมันก็คือใจอย่ามาประใจฉันเลย มันสักกายะเอาไปกินหมดเนี่เราเนี่ยฉะนั้นอย่าไปเสริมมันมากนะแหมใจฉันสบายเหลือเกินตอนนี้นะฉะนั้นคําพูดคําจาอะไรต่างๆการมองนี้ต้องระวังในการระวังก็คือการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวนั่นแหละถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้พูดอะไรออกไปนี่มีแต่เสริมสักกายะทั้งนั้นแหละนี่โอ๊ยใจฉันสบายดีเหลือเกินน่ะใจฉันแล้วเห็นไหมนะ่ะ ของเราเห็นไหมนั่นของเราเนี่ยใจของเราตาของเราหูของเราความสุขอะไรของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนี้นะก็ระวังเราเองนะการระวังก็คือการสังวรมีสติมีสัมปชัญญะนั่นแหละทำเมเอตังมะมะเอโสมัสมิเอโสเมตตาติสมนุปสติ ตามเห็นธรรมะคืออารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา <S <S มโนวิญญาณังเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรามโนสัมผัสสังเอตังมะมะ เอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นมโนสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราเวทนางเอตังมมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา ตันหังเอตังมะมะเอสโสหมามัสมิเอสโสเมอัตตาติสมนุปัสติตามเห็นตันหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรานีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสักกายะสมุทยะคามินีปฏิปทาเป็นการดําเนินชีวิตหรือว่าการปฏิบัติชนิดที่ทําให้เกิดสักกายะขึ้นเกิดการยึดถือ เห็นผิดว่ากายว่าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาอย่างนี้แท้ที่จริงกายมันก็เป็นกายใจมันก็เป็นใจมันไม่ได้เป็นเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้แต่ว่าอันนี้ไปตามเห็นมันพอตามเห็นมันบ่อยๆมันก็ยึดถือมากขึ้นมากขึ้นนะปากกามันก็เป็นปากกาของมันอยู่ดีๆเราไปตามเห็นมันที่ร้านค้าเซเวเลฟเว่นเนี่ยเอ๊ะนี่ของเราไว้ ตามเห็นมันนานเข้าดันเป็นของเราจริงๆขึ้นมาเสนด้วยใครมาเอาไปยอมไหมชักจะไม่ยอมซะแล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยมันลำบากอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเอตังมะมะนั่นของเราเนี่ยฉะนั้นเราอย่าไปตามเห็นนะถ้าจะเอามาก็นี่ไม่ใช่ของเรานะเอามาเป็นวัตถุเครื่องใช้สอยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติสัมปชัญญะให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวนะครับเรารู้เรื่องนี้เอาไว้ ก็ทำได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะรู้เอาไว้ก็ดีในแง่ที่ว่าอา้าวถ้าหลงเป็นของเราไปแล้วให้จะได้รู้ตัวได้ว่าอะหลงไปแล้วไม่ใช่แล้วอันเนี้ยก็จะได้มีสติขึ้นมาได้นะไม่มีสติตอนนี้ก็ตอนไหนที่นึกได้นะถ้าของเราโผล่ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าไปแล้วใช่ไหมสักกายสมุทญาคามินีปฏิปทาไปแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้เห็นไหม เริ่มต้นมีแต่เรื่องของธรรมะเห็นไหมพระองค์แสดงธรรมะหมวดแล้วหกหกหมวดมีแต่เรื่องของธรรมะเป็นอนัตตายอมรับหรือยังถ้ายัางไม่ยอมก็แสดงว่ามันผิดอยู่เพราะคำหน้าไม่ตรงกับคำหลังแล้วอัตตาตัวตนที่ไหนมันจะเกิดและเสื่อมได้ใช่ไหมมันไม่มีหรอกถ้าเขาพูดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเอา้าก็ให้เหน็นกันอยู่ว่ามันเกิดแล้วมันดับมันมาแล้วมันไปก็ให้เหน็นอยู่ เราจะบอกว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ผิดไปเท่านั้นแหละนะครับทีนี้หลังจากพระองค์บอกความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็บอกให้เข้าใจว่าแล้วอันไหนล่ะทำให้เกิดความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เป็นมันแต่เดิมแล้วอะไรล่ะทาให้เกิดขึ้นมาอันที่ทำให้เกิดขึ้นมาก็คือการใช้ชีวิตที่มันผิดพลาด ด้วยความไม่รู้ที่เราไปตามเห็นสิ่งต่างๆมันมันเป็นอย่างที่มันเป็นเราไปตามเห็นว่าเป็นของเราปั๊บเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นอัตราตัวตนของเราคิดดีก็คิดดีไปไม่ได้มีอะไรนะแม้เราเป็นคนดีเป็นไงสักกายะมันขึ้นสิเอาคิดดีก็คิดดีของมันน่ะมันตามเหตุตามบัจัจน่ะคิดชั่วก็ชั่วของมันน่ะตามเหตุตามบัจัยแม้เราชั่วเราเป็นคนดีเราเป็นคนชั่วเป็นไง สากายะมันก็ขึ้นมามันยึดขึ้นมาอย่างนี้นะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันนะเวลาเราไปตามเห็นว่าเป็นของเรามากๆมันก็จะขาดมันไม่ได้แล้วก็จะยึดถือเหมือนกับแต่เดิมอย่างสามีเราเนี่ย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆ ย, ย้อนไปเราพูดแบบรีวายย้อนย้อนกลับแล้วก็สโลโมชันด้วย ก็คืออ้าวแต่เดิมนี่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปอ้าวไปตามเห็นว่านี้ของเราเป็นไงนานเข้านานเข้ามันก็จับแลรู้สึกจริงๆขึ้นมาซะด้วยก็เหมือนกายกับใจเหมือนกับสิ่งต่างๆ่ตาหูจมูกลิ้นกายเวทนาความรู้สึกอะไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เหมือนกันนี่แหละก็เราไปจับมันพอจับมันนานเข้าก็ของเราเราจริงๆรซะด้วยสักกายะก็เกิดขึ้นอย่างนี้นั่นแหละ พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปโทษชาวบ้านชาวเมืองอะไรนะอันนี้พูดให้แบบว่ามีแต่มาตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นนะครับเอาละพักสักครู่นะครับ